จำเป็นจะได้ทิ้งซากไว้ในแผ่นดินโลกคือสัตว์บกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มเป็นถาดแห่ตันหาตันหามีมากไหมนับถีตันหาสมานกทีแม่นะ้ำเสมอตันหาไปมีตันหาเกิดมาจากทางใดว่า เกิดมาทางตากับลูกเรียกว่ารูปตัณหาพทัทเยธยานในตาและลูกจงลงถึงใจเกิดมาในทางหูและเสียงเรียกว่าสัทธะตัณหาพทัทเยธยานในหูในเสียง เกิดมาในทางจมูกและติ่งเรียกว่าขานะตัญหาเพราะเธอทยานในจมูกและติ่งเกิดมาในรถกลับลิน้นเรียกว่ารสะตัญหาเพราะเธอทยานในรถที่มันอร่อย เกิดมาในทางกายและสัมผัสของกายและโผฏฐัพพะเนียยว่าโผฏฐัพพะตันหาเกิดมาในทางใจกับธรรมารมณ์เนียยว่าธรรมะตันหาเห น, นี่ยแสงว่า โลภะกันหาสัทธะสันหาสัมถะกันหากระแสกันหา佛ะตันหาสรรมะกันหาที่วมตกไมตกในเรื่องตากับรูปกระทบกันหัวเสียงกระทบกันจิตเข็ญหัวกระทบกันรสเข็ญกระทบกันโ佛ะกระทบกันกกายธรรมารมกระทบกันกับใจ แล้วก็เกิดวิตกรูปวิตกคตะวิตกคันธวิตกรักษาวิตกหัวตะพะวิต ก, ราาต ก, ตกธรรมะวิตกที่นี่มีวิจารตรีตองตีตองในบทเสียงจีนลหัวพะธรรมารุมตีตอง โละะะะภะวิจารสัท ธ, ธะวิจารคันทะวิจารรักษาวิจารปุถุพะวิจารธรรมะัวิจารทั้งหลายวนเวียนอยู่นี่เรียกว่ากิเลสกิเลสกัญหากิเลสพันหาา้ 3, ากัญหาตแปดอดีตสามหกอนาคตสามจหกปัจจุบันสามหก สาธุลูกมาละหกคลิปหมดคือหกหกคลิปอดีตอนาคตปัจจุบันสามคูณสามคูนศูนยน่ยศูนย์สามหกมันจะแปกอันนี้นะสามหกสามชี้หก พระผู้สิบแปดเอาแปดรมทดหนึ่งสามสามเป็เก้าเป็นสิบเนี่ยตั้หาร้อยแปดแล้วั้งหลายต้องเที้ยงอยู่างนีส่วนท่านโภคนไปไหนท่านไม่มีราคะไม่มีโทสะมม่มีโมหะในตาในรูปในหูในเสียงในกลิ่นในรถในโดในพระในธรรมารุมเพราะท่านไม่ทะเยอทยาน เห็นกนในสักก็เห็นรูกปกันในสั ก, ก็รูปตาก็มองไปตารูป ก, ก็มองไปรูปท่านจะไปยืนยันท่านจะเราท่านเขาเป็นตับเป็นโมกุลเหตุฉะนั้นจังว่าตาไม่ใช่ตัวตนหูไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนลี้นไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนรูปเสียงกลิ่นรสผุตระพะธรรมมารมไม่ใช่ตัวตน หมดอนัตตาจะคงอนัตตาดูปาอนัตตาตาไม่ใช่ตัวตนลูกไม่ใช่ตัวตนหมูไม่ใช่ตัวตนเสียงไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนปิ่นไม่ใช่ตัวตนริ้นไม่ใช่ตัวตนรถไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนหัวกะไม่ใช่ตัวตนใจไม่ใช่ตัวตนธรรมารมไม่ใช่ตัวตนพระอรหันต์ท่านไปแบบนั้นนี่แคนั้นทุกของท่านจริงไม่มี ถ้าทำไมกําหนดสิ่งเหล่านี้รูปตาตามมันจริงของตารูปลูกตามมันจริงของรูปแต่ไม่สําคัญว่าเราเป็นตาตาเป็นเราไม่สําคัญว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูกหูเสียงเลียนรถผลิตภัณฑ์มาโงก็เหมือนกันนี่นั้นท่านจึงข้ามทะเลหลงไปซักเพราะไม่หลงยึถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นเขาเป็นจับเป็นบุคคลนี่พูดเป็นหก พูดเป็นห้าใช่ไหมท่ามายืยนยันว่ารูปเวทนาสัญญาสังข า, วญญ า, าหหราาญญาวิญญาณเป็นท่านเอยพูดเป็นห้าหรือท่านมายืนยันว่าเวท่านไม่มีในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณเลยท่านไม่สําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นท่านหรือท่านไม่สําคัญว่ามีในท่านหรือท่านมีในอั น, นั้น เป็นแต่ศักว่ารูปเวสนาสัญญาสัญญาเนี่ ย, ย, ยพระท่านกระจายออกแล้วแยกออกแล้วแยกแยกออกแล้ว Here, พูดเป็นห้าหกนั่นก็ย่นลงมาเป็นสองสักหนึ่งหกที่ว่ามาแล้วตาหูจมูกกลิ้นกายย่นลงมาเป็นรูปขันสักใจย่นลงมาเป็นนามขันสัถ้าไม่สําคัญรูปขันเป็นท่านท่านเป็นรูปขัน ถ้าไม่สำคัญว่านามขันเป็นท่านท่านเป็นนามขนัยนย่อนลงมาเป็นสองทีนี้ขันห้าก็ย่นลงมาเป็นสองอีกซะที่นี่รูปเมธนาสัญญาสังขารนีอะรูปเมทนารูปเป็นรูปตามเดิมไม่สําคัญว่าท่านมีในรูปไม่สําคัญ ว, ว่ารูปมีในท่านอีกไม่สําคัญว่าไม่สําคัญว่านามมีในท่านไม่สําคัญว่าท่านมีในนามย่อนลงมาเป็นสองอีกซะที่นี้ปี่นี่ปฏิสติปานสี่ที่นี่ กายเด่นน้าไพโรยจูมกันเป็นกายอย่างวารูปมไม่ไดนาความเสวยอารมณ์สุขทุกข์เบกยขาสัญญาความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำยศจำโหตถะพระจำธรรมารุมหลังขานความโปร่งแต่งแห่งกิตม่ให้ดีให้ชั่ววิญญาณความรู้ทางตาหูจมูกเลี้ยงกายใจจะควญญุวิญญาณาาวิญญาณทางรองตาโสตะวิญญาณาานะวิญญาณทางหูคานะวิญญาณวิญญาณ ทางมูกจิตมหาวิญญาณวิ ญ, ญาณทางลิ้นกายวิญญาณวิญญาณทางกายมัโนวิญญาณวิญญาณทางใจก็เป็นแต่สักป้าวิญญาณซักเมตนาโสทุกโอเบขาความสวยอารมณ์ก็เป็นแต่สั ก, ญญาาสกโอ เ, เ, อเบตน า, าที่นี่ท่านก็ย่นลงมาเป็นสองอีกเหมือนกันนีแจะลูกกับนางที่ย่นสติปัฏฐานสี่ลงมาเป็นสองอีก รูปเวทรูปดินน้ำพระโล่งชูงกันเป็นไงเรียกว่ารูป น, น, นี่กายานพุทธะเมธานาคิตตาธรรมาย่มลงเป็นนามขันนี่ก็มีแต่รูปคนามเท่านั้นรูปคืออะไรคือรูปพะโลกนามคืออนามคือนามพะโลกนามโลกเพราะว่ารูปสังขารก็ว่านามสังขารก็ว่ารูปอ็นเซียก็ว่านามอินทรีย์ก็ว่ารูปธาตุนามธาตุก็ว่า เพราะเหตุไรอำนาจอันยงทั้งนั้นเกิดขึ้นแล้วกาแฟพวงนั่นแจกสายหมดนับแต่ตาหงจะมองเรื่งกายใจเกิดขึ้นแล้วกาแฟพวนั่นแต่สายเหมือนกันใจเกิดดับเป็นเร็วนักแป๊เดียวก็ดับเป็นติดต่อกันดับแล้วก็เกิดดับแล้วกกิดติดต่อกันเป็นพืชเลยยิตใจความเหมือนกันเวตนาสัญญาทังขารเวิยนญาติความเหนกันรูปดับมาเกิดนานดับนานลงเีตุไรอำนาจอันยิงใทั้งนั้น เนี่ยท่นั้นท่านจึ ง, งยนืนไม่ยืนยันอะไรอะไรในโลกโลกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายโลกภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสฝนสะพะธรรมอารมณ์โลกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายกายโลกภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสฝนสะพพธรรมารมณ์ น, นั้นพูดเป็นหกขึ้นไปพูดหกอีกย้อนย้อนออกมาเป็นสองโอเครูปประโลกอาลูก ป, ประโลก รูปประโลกอะไรซือตาหงสมอกเล่นกายเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปประโลกใจเรียกว่าอารม ป, ประโรกโล ก, กานามรโรกอันนั้นย้นลงมาเป็นสองเอกเหมือนกันหมวดทกนั้นย้อนลงมางทีนี้หมวดห้าก็ย้ลงมาเป็นสองเองกนี้รูปเป็นรูปตามเดิมเวทนาสัญญาสัขงขารวิ ญ, ญญาณ น, นามนะก็มีแต่โลกกับนามเท่านั้นในโลกอันนี้แล้วทั้งหลายเมื่อไม่หลงโลกหลงนามมันก็ข้ามทะเลหลงไปแล้ว มันมายึดถือเอาลูกอนามเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลถึงเหล่านี้มันไม่อยู่ ใ, ใต้อำนาจราสนาซะห้ามไให้แก่ก็แก่ห้ามาให้เก็บก็เก็บห้ามาให้ตายก็ตายถ้ามา ห, หิวอยากก็หิวก็อยากก็หนาวก็ร้อนสารพัดตลอดทั้งของบูชาเติมอยู่ในสรพพนักายด้วยทีนี้ผู้เจตีประธานสี่ว่าพวกเข้าเข า, ขาพวกนี้ยุ่งเหยิองอยู่ยังไม่ทันชัก ตายย่นลงมาเป็นลูกขันเมษนาจิตาตาธรมมาย่อนลงเป็นนามขันจักย่นลงเปนามะโลกนะลูกย่นลงเป็นลูกประโลกหรือลูกประธรรมหรือลูกประขันหรือลูกประอ็นซีนามะโลกย่อนเป็นนามะขันหรือนามะธาตนานุนามะขันนามะเอ็นซีเกิดเส้นก็แฟดับเหมือนกันพลิกันแต่เร็วหรือช้ากว่ากันตอนนั้นส่วนลูกเกิดชาดับาชาส่วนนาม เปิเร็วดับเร็วหายใจเข้าข้างหนึ่งเรียกว่ารูปดับหายใจออกข้างหนึ่งก็เรียกว่ารูปดับเกิดเส้นแฟรดับส่วนน้ำดับนึกขึ้นข้างหนึ่งก็เรียกว่าดับแล้วพูดออกมาเป็นวัากีสังขารก็เกิดดับเร็วเหมือนกันติดต่อกันเป็นพืชแล้วทั้งหลายก็หลงอยู่ตามนี้หนอ่งครูตัวครูของครูตัวครูเขาครูอยู่อย่างนั้น ตัวข้าของข้าตัวผู้อื่นเขาผู้อื่นอยู่อย่างนั้นอาจจะแค่พระนันทท่านบอกว่ารูปประทานนามะธรรมไม่ใช่สารไม่ใช่บคุคคลเราลูประโรกนามะโรครูปทั้งขานามส้งทังขาณไม่ใช่สารไม่ใช่บคุคคลเราเลยขึ้ น, นแล้วความแปรปวนแตกส่สายเนสนั้นราคะโทสะโมหะของท่านจึงไม่นี้เมื่ <S <S มอท่านไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตเป็นบุคคลแล้วกนเนิเลสของท่านกอไม่มี ของท่านผูกคนแล้วจิตของท่านก็ว่าใจของท่านก็ว่าผู้รู้ก็ว่าเพราะผู้รู้มันมีผู้ไปยึดถือออกเป็นเจ้าของถ้าผู้รู้มีผู้ไปยึดถือออกเป็นเจ้าของผู้รู้ก็มีโทษเมื่อผู้รู้มายึดถือผู้รู้เป็นเจ้าของแล้วผู้รู้ก็จบอยู่เพียงผู้รู้ทั้นั้นอดีตคืออะไรคือจิตใจหรือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือจิตใจและผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือจิตใจและผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ ใครเป็นพวกพูดและใครเป็นพวกฟังอยู่เทีวนี่ก็คือสังขารใความทุกนั่นเองเขาได้พาแม่มาพูดด้วยไม่ได้พาฟังด้วย <c oughs> <c oughs> แต่ทํำมีนิดเดียวที่เราพูดว่าขพระวโวหารที่เราอธิบายไปว่าของพระวโวหารแปดมื่นีพระธรรมวัคคันหมเทศคนนั่นอยู่ที่นั่นว่าเทศคนนี้อยู่ที่นี่ว่าเทศคนนั่นอยู่ที่นั่นมันเอามารวมกันก็แปดหมื่นสีพระธรรมวัคคันอันแท้ก็อันเก่านั้นเอง หายใจเข้าออกเป็นอันเก่าหรืออันใหม่ก็อันเก่านั่นเองความนึกคิดเป็นอันเก่าหรืออันใหม่ก็คืออันเก่านั่นเองเรคหลองเป็นอันเก่าหรืออันใหม่ก็คืออันเก่านั่นเองผู้พยายามละอันเก่าหรืออันใหม่ก็อันเก่านั่นเองผู้ละได้แล้วอันเก่าหรืออันใหม่ก็อันเก่านั่นเองหายใจเข้าครั้งหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว เขาโลกเต็มไปด้วยอานิจจังมีทุกสัมพยุติอยู่ด้วยหายใจเข้าข้างหนึ่งก็มีอานิจจังและทุกขังอนัตตาสัมพยุติกันอยู่ด้วยนึกขึ้นอันหนึ่งก็มีทั้งอนานิจจังทุกขังอนัตตาสัมพยพยุตกันอยู่ด้วยเรียกว่าไตรลักษณ์สัมพยุติกันอยู่ไต้ลักษณะลักษณะที่เกิดขึ้นและแปละดับนั่นเองคือลักษณะเรียกว่าไตรลักษณ์ นักตัวนี้ตัวรววอเลยงแม่ตกระไก่แม่ตอตอลือสีแมนอนเอ็นกันลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารทั้งพวงลักษณะที่มีส ม, มุติรสมกันแก่สังขารทั้งพวงเลือกไตรลักษณะแก่กออกเป็นสามอย่างหนึ่งอณิจจตาคอนมัยเที่ยง สองทุกขตาความเป็นทุกข์สามณนสตาความเป็นของไม่ใช่ตนทำสามประการนี้พระสมานพปโพเจ้าเทศมากกว่าเพื่อนจึงว่าธารมาโนโซภะกวาเมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุอยู่เอวันบาหูารังสร้างวัจเจวินิติแค่มากมาฮูรังแปลว่าเทศมากเอวัพงพางา จ, จักรนัสสาวะกวาตัวสร้างวัจเจืวอนัสสาสนีบาฮูรัปวัติติเทศมาก บาหุปลว่าเทศมากรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจเวิทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจ์สังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจงวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเรไม่เทศทุกซะเทศไม่ใช่ตัวตนเลยเพราะมันอยู่ันรู้กันแล้วรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญาณัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาสภะสังขาราอนิจจ์ นักเพรทมาอนัตตาเต็มทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นมีไตรรับเกิดขึ้นในแปลโวนแล้แตกสลายเรษษียกว่าทำทั้งปวงทำทั้งปวงในฝ่ายสังขารไม่ใช่ทำทั้งปวงในพระเนรพลเกิดดับฝ่ายสังขารฝ่ายพระพานรพยกว่าแต่ว่าอนัตตามือนกันพระเนรพนลทุกขังกับอนิจจังหมายถึงทำทั้งปวงในฝ่ายสังขารส่วนอนัตตา หมายรวบทั้งสังขารและมิสังขารด้วยส่วนทุกขังกับอนิจจังหมายแต่เฉพาะสังขารทำไม่ได้หมายพรพานรพลทุกขังกับอนิจจังส่วนอนัตตาหมายทั้งพระเพานด้วยพระเนรพลก็เป็นอนัตตาทำคือทำฝ่ายหนึ่งเป็นทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับที่อยู่ในใจโลกธาตุเป็นทำฝ่ายเกิดฝ่ดับที่ทรงในพระเนรพลทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับพระเนรพก็เป็นอนัตตาด้วย บุคคลผู้ไม่แยกอนัตตาออกจากฝังขานธ์ทำเป็นผู้บรอบครอบอนัตตาต้องเป็นผู้ไม่รอบครอบในอนัตตาไม่ ว, ว่ารู้ไม่รู้เท่าอนัตตาทำของพระพุทธศาสนาก็อนัตตาเท่านั้นลึกกว่าเพื่อนอันนี้จังไม่ลึกทุกขังนั้เป็นลึกเพราะเห็นโ ต, ต้ององ่ายอนัตตาทำเป็นของลึกเพราะก้อนท่อนมันมาปิดบงังทีนี้อะไรปิดบังทุกพระ อ, อิริยาบท มันเหนื่อยนั่งก็เดินนะมันเหนื่อยหายใจเข้ากับหายใจออกนะมันเหนื่อยนั่งก็เดินก็นั่งก็พลิกแพลงไปมาเนี่ยเปิดบังอานิจังเห็นจะนั่นเมื่อเรานั่งอยู่นิ่งๆอ่ะมันจึงไม่เปิดใจมันมันมันไม่น่าอยู่นะมันอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถมันอิริยาบถปบิดบังทุก ผมหล่นออกแล้วงอกขึ้นปิดบังอนิจจังขณะอันเป็นก้อนมันท่อน่ะปิดบังอนัตตาเพราะยืนยันว่าตนตัวเพราะมันมีอยู่แต่ความไม่อยู่ในอำนาจวาสนามันเลยกลายเป็นอนัตตาช่ไหมไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เก็บมันก็เก็บไม่ให้ตายมันก็ตายในถ้าคนร่างกายของเราเราเราต้องการไม่สิ่งที่สกปรกโสมมุมแล้วก็ไม่ต้องการเราต้องการให้มันเป็นเหล็กเป็นทองคา มันก็มีแต่ข้างกระดูกเปื่อยมันเอามันไว้สมประสงค์แล้วต้องการไว้ของบูดลาหรือของแก่ของเก็บของตายอยู่ในเราก็ไม่ต้องการแต่มันฝืนธรรมชาติจึงเรียกว่าอนัจามันฝืนธรรมชาติมาแล้วเราไม่อยากให้มันหิวเราไม่อยากให้มันร้อนเราไม่อยากให้มันเย็นเกินไปเราไม่เราไม่ชอบเลยเราชอบแต่สิ่งที่ปัจรถนะแต่มันไม่สมปัรถนานะสิปัจจุนะมาให้แก่ไม่ให้เก็บไม่ให้ตาย ศาสนามาให้เปื่อยมาให้น่ามาเนี่หี้ยวไม่อยากมันไม่สมซะมันฝืนซะนี <c oughs> ทีนี้บางคนบอกว่าผมภาวนาข้ามเวทนาไม่ได้แล้วสาคัญเราเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ ถาเราเปสนงขรามราเราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเรามันก็ข้ามเดนะือนอาทินั่นเองนี่เวทนาเนี่ยเราอยากให้มันรับแต่เวทนาสุขมันก็อยู่ไม่ได้นะ่ความประสงค์ของเราเราต้องการสุขวเวทนามันไม่อยู่ซะนี่สุขเวทนาก็ดีทุกเวทนาก็ดีโอเวคขาวเวทนาก็ดีเกิดขึ้นแล้วกาแฟดับจงมููทําเป็นสิงซักเราเราดก็ได้นี่เราเร า, เราอยากจะทิ้งทุกขาวเวทนา เราอยากได้สุขเวทนามันไม่ได้สักเพราะมันไม่ใช่ของเรานั่นแล้วก็หวังสุขเวทนาสิพระบรมาศาตราบอกว่าเามาาาาาเื่อเธอรู้ตามเป็นจริงสุขทุกข์อุเบกขาแล้วเธอไม่ยินยันสุขว่าเป็นของเราทุกไม่เป็นของเราอุเบกขาไม่เป็นของเราเแล้วเธอทั้งหลายจึงจะข้ามเวทนาไปเราไม่ต้องการเวทนาทุกแต่เราต้องการเวทนาสุขอันนี้นะมันปีนกันอยู่นะ ถ้าภาวนาเข้าไปไม่อยากให้มันเจ็บเป็นปวดเลยอยากให้มันอยู่เฉยๆมันกูอยู่เฉยๆไ ม, ม่ได้ก็ต้องเจ็บต้องปวดที่ความสังขารมันมาอยู่ในอำนาจของใครวงหนึ่งภาวนามันเหนื่อยมันใหนกูก็เดินยืนมันเหนื่อยยืนกูก็เดินพระนิพนานไม่มีตั้งแต่นั่งดอกท่านพูดอย่างนั้นผู <c oughs> ้ยืนสำเร็จพระนิพานก็มีพูดเดินกําลังเดินอยู่สองพระนิพานก็มีท่านพูดหลังนั้นคนนั้น นี่ลุงปูลุยทําอะไรก็ตามเถอะก็ให้มีปัญญาลุงปูรุยใช่ไหมถ้าไม่มีปัญญาเนีย่ยจะนั่งตลอดคืนมันก็งูเหลือมันก็อยู่ในถ้ำนั่งตลอดคืนก็มีสามเดือนก็มีทําไมไม่สาเร็จพลังหันท่านพูดอย่างนั้นอึ่งอ่างมันก็อยู่ในข้อกข้องมันต้องหกเดือนเจ็ดเดือนมันจึงออกมาร่องทําไมมันไป็นพลัหันท่านจะว่าอย่างนั้นทีนี่ มันขึ้นอยู่กับปัญญาท่านผู้ใหญ่ถ้าชนะความหลงของตนแล้วมันก็ข้ามชั้นทั<ม>้นผู้ใหญนน้องปู่รุยเนี่ยนกปู่รวยถ้าเทศหน้าเลื่อมใชเหมือนกันเราเป็นพระอยู่เราทําเป็นคนท่านเป็นทำเป็นโคเขาหักไม่ชนกับใครเราไม่ชนกับใครทําเป็นโคเขาหักใครอยากเก่งเขเก่งพระเ้าเราทําเป็นโคเขาหักมานกปู่รุย พระเทศนาของท่านน่าเลื่อมใสเราทําเป็นคนโ ค, โคเขาหักเป็นพระโคเขาหักไมท่ทนกับใครเหรอที่ฉันดุ้ยอดีตคือผู้ลูกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้ลูกที่ยังไม่มาถึงวันเจ้าวันคือผู้ลูกที่กําลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ทุกๆท่านล่วงไปล่วงไปล่วงไป เกิดด like ับร่วงไฟเกิดดับร่งไฟล่องไปล่องไปลอไย่างนี้ก็ร่วงไฟอยู่มงันกันเขามนร่วงจากตากที่อยู่ข้างมันแม้ถึงมันวนอยู่อย่างนี้มันก็ร่วงไปมันกันอีะเอิดเปิดนั่นเนิดน่เน่น่น่เน่เน่เน่เน่น่น่นะน่่นนน่น่่นเน่นเน เออนะมันมันร้อนเปิดนี่แค่ร้อนเปิดนี่นี่นี่ น, นี่นพอแล้วนะพูดกับหมูก <c ười> ็พูดมากเวลาเราภาวนากเอานิดเดียวเราจะพิจะราอะไรก็ตาม พิจารณาเมตตาเราก็พิจารณาพอกขลมหายใจเขาออกโยนิสีทุกทันหน้าจงเป็นสุขนะพุทธํงสงอยู่ทุกเมื่อเทือนโยนิสทุกทันหน้าจงเป็นสุขนะพุทธังสงอยู่ทุกเมื่อเทือนบริกรรมอยู่นึกในใจจนเลี่ยนไม่กระดุกพิจารณาแต่เมตตาลงจนสู่อนัตตาธรรมอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรไม่มีภัยอนัตตาธาตุที่ไม่มีเวรที่ไม่มีภัยพิจารณาอะไรก็ลงสู่อนัตตาหมด พิจารณาพุโทโธเขพ่องเลมหายใจเข้าออกอนัตตาคุณที่ไม่เกิดไม่ดับไม่มีประมาณด้วยพิจารณาความตายก็พ่องเขาลมหายใจเข้าออกความตายเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในวงแขวนของท่านผู้ใดสําคัญได้ใดๆก็จะแตกจะสลายเป็นเหมือนกันไม่ได้อยู่อํานาจวัฏสงาของใครเนื้อพิจารณาลงสู่อนัตตาเหมือนกัน ไม่ใช่เราตายไม่ใช่คนอื่นตายสังขารต่างหากแตกดับไปลงสู่อนัตาเหมือนกันพิจารณ์อสุภะอสุพังในสักคนร่างกายของเปื่อยเน่าของสกปรกโสมุมที่เต็มอยู่ที่หนังพุ่มอยู่ในรอบแม่ตัวของนนหนังก็จํะเปลื่อยเป็นเหมือนกันพุ่มอยู่ไม่ไหวเส้นลมปลาณก็เจ็ดวันก็ทำเหลืองก็ออกไหล แมลงวันตอมหึงเลยหนอนไตออกมาตามนี ario, ่ไตออกมาจากจากท่องท่องหูบ้ามาจากจมูกบ้ามาจากปากบ้าถ้าไม่มีผู้เขาผู้ฝังออกมาจากท้วันหนักท้วันเบาบ้างุมผมขนขนก็เป่อย น้ำเหลืองไหลเฟะออกเลยเมื่อแรงวันตอมหึงเลยพิญาลงสู่อาชวะอัชพังผู้ราคะจัดต้องพิจารณาสกุรนนะ า, ากายเกลื่อเน่าของกันไป ร, ราคะจึงไม่จัดผู้โทสะจัดก็ต้องภาวนาเถเมตตาให้ตนและท่านผู้อื่นเป็นสุข ตนก็ชอบสุขท่านผู้อื่นก็ชอบสุขเอาตนเป็นพยานเสียก่อนถ้าไปเอาตนเป็นพยานมันก็ายเรียตุ้น้ําแผลเมตตาไม่ไปเอาตนเป็นพยานแล้วก็แผลไปมันก็เล็บเลยถ้าไม่เอาตนเป็นพยา น, น, ายยนาแผลเมตตามันก็บริกรรมเฉยมันก็ไม่ลงง่ายเหมือนายเรียตน้าําแล้วชอบสุขไหมชอบสุข ถ้าทั้งหลายก็ชอบสุกนั้นกันมีผู้ด่าเราชอบไหมไ ม, ไม่ชอบมีผู้เบียเบียนเราชอบไหมไม่ชอบมีผู้มาฆ่ามาแจงเราก็ไม่ชอบท่านผู้อื่นก็เหมือนกันมีผู้มารักของเราชอบไหมไม่ชอบมีผู้มาทำลายร่างกายเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบสัตว์อื่นก็เหมือนกันสัตว์อื่นก็รักความสุขของตนยิ่งกว่าอันอื่นเช่นนกหนูปูปีกเดินไปอย่างรเดินไปเจอไปเจอไปพบไปปะมัน มันไม่ไหวใจมันก็ บ, บินหนีปรือเลยเพราะมันรักชีวิตของมันเป็ดไก่อย่างนี้ทั้งบินด้วยถ้ากลัวมากทั้งบินด้วยถ้ากับคือปีกด้วยทั้งบินด้วยถ้าขาเขาวิ่งด้วยถ้าหนักเข้ากระเบนปรือเลยกบอย่างนี้หมอบอยู่ดีๆเราผ่านไปมันไม่ไห้ใจมันรักชีวิตก็โดดลงหน้า เราพิจารณาอย่างนั้นและปร็ถแผลเมตตาที่มันไปริยบร้อยทีนี้โดยนิสสิตุกสนั่นจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดสุขในพุทธธรรมสงฆ์มันสุขในพระโสดาบันสุขในสัคทาคารีสุขในอนาคามีสุขในพระหังสุขต่ากว่านั้นลงมาสุขตามอามิมษมดอาเมษแล้วก็เป็นทุกข์สุขในพุทธธรรมสงฆ์เราสุข กิเลศขาเป็นเอกเทศไปบานหน้าไปสู่พระนิพพานชุบในพระเจ้าพโนชุบในโลกีชุบของข้ัศึกชุบเกิดแต่ความเมทรับสุบเกิดแต่ใจซับมรรคภูมิชุบเกิดแต่ความไม่เป็นนี้เป็นสินชุบเกิดแต่ทางานที่ปฏิจจคตโทษถึงอย่างนั้นเข้าไปใต้อำนาจอำนาจจังเดี๋ยวก็กับทุกข์อีกเมื่อเสื่อมราบเสื่อมยศหรือเจ็บป่วยเราก็กลับทุกข์อีกส่วนชุขในพระโสดาวันสุบก้าวหน้า พระศุกพ้นสากทีเด็เป็นเอกเทศเป็นจนถึงพระหันเนี่ยพระสบในโลกุศระทุกในโลกีบนเวียนเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาเป็นทุกทุกในโลกุศละสูุก้าวหน้าเขาสู่เขาจะผ่านนับวันจะชนะความหลงของตนทีนี้ถ้าเราจะถือว่าทั้งอดีตทั้งอนาคตเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นวกด เราก็พิจณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความกำลมให้ใจเขาออกอชัยชนะความหลงความหลงอันละเอียดก็ชัยชนะไปถ้าโลภถ้าโกรธถ้าหลงไม่มีในคันท้สัดานเราเนะี่ยเราจะเอาทุกมาจากประตูดใดเราก็ไม่มีทุกเมื่อโลภโกรธหลงมีอยู่ในคั้นท้สัดานเราตามใแเราก็ถือว่าเราเป็นทุกข์ ทุกทุกอุเบกขาไม่มีนะเราเราไม่ยึดถือว่าทุกเป็นเราเราเป็นทุกเราไม่ยึดถือว่าอุเบกขาเป็นเราเราเป็นอุเบกขาเราไม่ยึดถือว่าสุขเป็นเราเราเป็นสุขพระบรมศาสตร์สราสอนไปแบบนั้นเมื่อไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้น่ถือว่าเป็นสุขใหญ่ทีนี้ยถือเป็นสุขในพระนิพพานทีนี้เมื่อพระนิพพานดับเพลินดับความยึดถือแล้ว ตากูหู ก, กูจมู ก, กูริษกภูกายกูใจกูอะไรก็กูกูอกูภูเขาเพราะอรหารภาวนาข้ามภูเขาภูเราไปแล้วเหมือนภูเขานะ่ใครมาก็บอกว่าภูเขาไม่รู้ว่าภูใครเลยมันก็ไม่ปฏิญญามันก็ไม่ปฏิเสธพูเอีเขาเขา ไม่รู้ว่าใครเป็นเขากันแน่เราเราเราเราไม่รู้ว่าใครเป็นเรากันแม่นิฉันนิฉันไม่รู้ใครว่าไม่รู้ว่าใครเป็นนิฉันกันแน่คนคนคนคนคนคนไฟเป็นลมก็เหมือนกันมันก็ไม่ผัดเพราะปรมาศารยากขสอนว่าจิตใจของเธอข้างหลายไม่เหมือนดินไม่เหมือนน้ำไม่เหมือนไฟไม่เหมือนลมเธอข้างหลายไม่พ้นหดอกปรมาจารย์ดินนี่เขาไปขี้ใสมันก็ไม่ว่า เขาไปเผาไฟมันก็ไม่ว <So. S 1> ่าม oh wow. uh ันไม่จองเวงเขาเอาไปเผามันก็ไม่ว่ามันก็ไม่จองเวรน้ำก็เหมือนกันเขาไปร่างอุจระมันก็ไม่ปวดเขาเอาไปต้มมันก็ไม่ปวดเขาไปขี่ใส่เลี้ยวใส่มันก็ไม่ปวมันไม่มีอาการใดๆเลยมันไม่สําคัญว่ามันเป็นน้าอีกด้วยมันไม่สําคัญว่ามันเป็นดินอีกด้วยลมเหมือนกันเขาเอาไปพัดก้อนเหมื็นๆมันก็ไม่ว่าเขาไปพัดที่ไหนก็ไม่ว่า มันก็ไม่สาคัญ่ามันเป็นลมด้วยไฟก็เหมือนกันเขาไปเผาขี้มันก็ไม่บน่นเขาไปเผาอะไรมันก็ไม่บนมันก็ไม่ว่าเป็นไฟด้วยมันเป็นไฟด้วยจิตใจของพวกเธอไม่เป็นอย่างนั้นพวกเธอจะมาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารอีกตะพึ๊ดตะพือพตะโกนลมศาสน า, สา <laughs> ถ้าเธอทั้งหลายจะทำใจให้เหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนไฟเหมือนลมเถิดถ้าเธอทั้งหลาย ไม่หลงใจตอนใดเธอทั้งหลายก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นเธอเธอทั้งหลายรู้เท่าใจตอนไหนๆเธอทั้งหลายก็รู้ท่าธรรมตอนนั้นนั้นถ้าเธอไม่ยึดถือใจตอนใดๆเธอทั้งหลายก็ไม่ยึดถือโลกนั่นนั้นเลยโลกใจเป็นของสําคัญหลงใจเป็นของสําคัญว่าถ้าไม่หลงใจก็ไม่มีอันไดจะหลงทักนทั้งปวงเป็นจริงตามธรรมชาติท่านในพานก็ตามเป็นจริงตามธรรมชาติไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของ เหตุนั้นเราจะท้าพุทโก้ภายในพานตามเป็นจริงของภาิใพานโูกสังขารตามเป็นจริงของสังขารแต่ไม่สําคัญตัวอยู่ในสังขารและนอกสังขารและเหนือสังขารไม่สําคัญว่าตนอยู่ในภายในพานและนอกภายใพานและเหนือภายใพานใดๆเลยถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิเราก็ไม่สําคัญว่าเราอยู่ในศูนย์หรือนอกศูนย์เมื่อเราไม่สําคัญใดๆในโลกทั้งฟวงแล้วเราก็ข้ามทะเลหลงของเจ้าตัวไปสักอ่าเราเราก็ศาสตรา นี่พวกเธอยังเป็นาธาตุทะเลหลงอยู่เพราะสติปัญญาของเธอยังไม่เหนือความหลงของพวกเธอพวกเธอก็ให้ความหลงใส่หันคว้าหันกำลังหันหน้าวิ่ง <c oughs> จี้รังคับพวกเธอ <c oughs> เราจะพูดอยู่วันยังค่ำเราก็ไม่ติดเราจะเดินวันยังค่ำเราก็ไม่ติดเหมือนนกบินในอากาศไม่มีรอยเลยแต่พวกเธอทอั้งหลายไปทางไหนก็ต้องมีรอยไปเพราะ รอยโรครอยโกรธรอยหลงท่นานพูดทั้งนั้นเราไม่มีโรคโกรธหลงเราจะเย็นเดินนั่งนอนรับตื่นเราก็ไม่ได้สําคัญตัวในที่ใดๆเลยเหตุ น, นั้นเราจึงข้ามทะเลหลงไปสักเราขอหลวศาสดาเพราะเธอทั้งหลายเป็นข้าเป็นทาต ท, ทะเลหลงก็คือเป็นข้าเป็นทาตพยามารกิเลสนั่นเองกิเลสมันตั้งอยู่รอบเมืองใจของพวกเธอทั้งหลายแล้วแต่พัสติภ้าพญาของเราแก่ก็ เราขับมันออกไม่ให้มันล้อมเมืองเกียตเมืองใจเราแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพวกเธอมันล้อมอยู่พวกเธอปราบคอมอย่นิดยัง <c oughs> ยังไม่ราบข้าบแล้วปราบแล้วลาบข้าบแล้วมันจะมาล้อบมบ้านล้อมเมืองเราคือใจใจของเราไม่มีไม่มีกิเลสเหมือนเหล็กไม่มีสนิมใจของพวกเธอคือเหล็กมีสนิมมันก็เกิดขึ้นจากใจเมื่อพวกเธอทั้งหลายยึดถือใจว่าเป็นต น, ตนเป็นใจ ก็คือกิเลสท่านพูดนะเราไมา่ได้ยึดถือสิ่งใดๆ ท, ทั้งสิ้นเมื่อพวกท่านทั้งหลายมาดมาด่าเราก็ดีหรือมาฆ่าเราก็ดีเราก็ไม่โกรธไม่แค้นแต่พวกท่านทั้งหลายจะลงนามลบทั้งเป็นโรกศาสดาความซ้อนใดในใจโลกศาสนา มันอยู่ใต้อานาจของคําสอนของพระพุษษทธศาสนาแล้วแล้วข้าเขาเข็มทิดอยู่ใต้อานาจของทิศเหนือมันเป็นเมืองขึ้นทิศเหนือที่ไปอยู่เคารบอยู่แบบนี้กลางวันกลางคืน <c oughs> <c oughs> คำสอนพุทธศาสนาเป็อย่างนั้นนะนี่น้่งให้หน้องคลองเบืองบางอย่างเป็นเบาของ นำมหาสมุทรทะเลอยู่ในตัวเพราะไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลชั้นใดก็ดีคําสอนใดใดก็ดีเป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศาสนาหมดไหลลงสู่คาสอนไหลไปหาคําสอนพุทธศาสนาหมดเขามีกําลังมากเพราะเป็นคําสอนของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภมสมบัตินิพพานสมบัติเป็นลําดับไปเลยพัฒนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวเลย คำสวนพระพุทธศาสนาดึงดูดขึ้นสู่พระเนปานเลยทําไมเราจึงอาบนา้ําเพราะร่างกายมันสขปรปกควบรรเทาไปพอประทังประทังถึงอย่างนั้นก็ไม่พ้นความสขปรปกถ้ า, ากว่าสกปร่างกายมันสขปรปกมันก็ปฏิเสธอาบน้ามไม่ได้ ถ้าว่าจิตใจมันสกปรกด้วยโรคโกดหลงมันก็ปฏิเสธปฏิบัติสินทำไม่ได้นะถ้าว่าคือแก่เก็บตายโรคโกดหลงมันเป็นทุกข์การปฏิบัติเพื่อมาให้มาเกิดแก่เก็บตายเพื่อมาให้มาโรคมากวนมาหลงก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าหากว่าโง่งมีก็ปฏิเสธฉลาดไม่ได้เหมือนกัน ถ้าว่ามืดมีก็ปฏิเสธสว่างไม่ได้เหมือนกันถ้าว่าการท่องเที่ยวเนยวัตตาสงสารมันเป็นทุกข์มีอยู่การไม่ท่องเที่ยวเนวัตตาสงสารเป็นสุขมันก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่มืดก็มีสว่างแก่ถ้าไม่ร้อนก็ต้องมีเย็นแก่ถ้ามีหลงก็มีสิ่งที่ไม่หลงแก่ถ้าม่ถ้ามีเกลียก็ไม่มีิติเดก็ต้องไม่มีเจ็ีแก่ อย่างพิเศษไม่ได้บางท่านบางท่านตายแล้วเกิดไหม่กับผู้ถามก็เอาก้อนตายก็เกิดมาถามผู้ตอบก็ก้อนตายก็เกิดไปตอบก็ผีบ้าถามกัน <c oughs> ถูกไหมวิญญาณมีจริงไหมก็ถามผู้ถามก็เอาวิญญาณถามก็ผู้ตอบก็เอาโมโนวิญญาณตอบผู้ถามก็เอาโมโนวิญญาณถามก็ผีบ้าถามกัน ไม่ให้พูดมากอะเนี่ยอะเอาอยามาพ่นด้วยลอกไซเลือนด้วยลรกหัวใจด้วยโรคสมองเรีเป็นนิ้วด้วยโลคภูมแพ้ด้วยลกลูกมากโตด้วยปัสาวะไม่ค่อยสะดวะ มีน้อ6ฮกเกอหยางัวจำตัวอย่างนี้แปดกับกชราเป็นหัวจักข า, àng, ากอนัง่งน้่งตัวนั่งตะกุนยังไงตัวหงายเลยแสนโคตรกัว่าไงจันปุ่มจันปุ่มะไม่เล่นการพานันทั้งพวงไม่เอาเลยลงลมเริ่มหมดี๋ยเป็นน้อกหาปีเองได้โคขนอ่ะ ก็พ enfin <cera> <h ers 2> ิสว well ัดนะนะแต่เป็นผู้มีอิสระในทางทําดีเถิแล้วเป็นผู้มีอิสาะทางทำชั่วเลยแล้วเป็นเจ้าพ่อเหมือนกันเราเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทําดีเถิดเ่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเลยเราเราก็สตยดาสอนฟังง่ายเข้าใจง่ายนะ ฟังระฆังปฏิบัติฟังง่ายเข้าใจง่ายเอาหนังสือสักนั่งตัวว่าเอาหนังสือเไม่วัดป่าไหมข้างพุทธการไม่วัดป่าเหมือนกันวัดเนี่โครารามป่าไม่ในโคตรเขาวัดป่า กูดาคารป่ามหาวันก็ป่าเหมือนกันเทตะวันมหาวิหารก็วัดป่าเวรวันสวนไม้ไผ่ก็พระเจ้าพิมพิสารก็วัดป่าบุกฟ้ารามขวางนาวิสาขาถวายก็วัดป่าพระบรมมาสด า, า, า, าประโสนิเทศป่าลมพินิวันทัชโลก ตำบลพุทธกยาแสดงธรรมจักกระปัตชนะสูตรอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารปรงอายุสังขารเวรุวันสวนไม้ไผ่ป่าไมาา้ไผ่ ขอพระเจ้าพินพิสานสวายอันเป็นที่อยู่แห่งกระแตพ <c oughs> ระนิพพานที่สารวนาโนทยานป่าไม้สาระทิตะวันออกของเมืองกุชินาราไม้สาระก็แปลว่าไม่รังเราดีๆนี่เองไม่เต็งไม่รังเราไม่รังป่านางรังนังคู่ พัฒนาทั้งวัตถุนิยมและอุดมคติภายในตัวด้วยวัดป่าเชตะวันมหาเวหารเขาสราบถวายพระองค์กระเป๋าเดียวสี่จุดเก้าปูดของอนาถอนาถพินเท迦เสตรีกระเป๋าเดียวสี่จุดเก้าปูด มั น, มนวนร้วดไม่ใช่กระดาษว่าเราทุกวันนี้กระเป๋าเดียวสีเก้าโกดคิดร้านจึงเป็นโกดอีเสื้อผ้าโกดเอาสิบไปโคโนสีเสืผ้าดูดูชสบ้้าห้าสิบสิบสี่สี่สิบเป็นสีเสื้อผ้าสีผ้าโกด อยสิบเปอคูณสิบห้าห้าสิบสิบสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้าสี่ร้อยห้าสิบล้านใช่ไหมหรือไม่ใช่อยสิบเปอคูณฮะที่นี้กระเป๋าเดียวสี่ร้อยห้าสิบล้านแต่พวกเราเราใครสร้างวัดกระเป๋าเดียวสี่ร้อยห้าสิบล้านว่าไม่มีแผลๆเขาขอกันจะตายเลย คุทธาพิเศษพิพสรรสารพัดนนางพิาขาสร้างวัดป่าสวายในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีทิศตะวันมหาวิหารทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองสาวัตถีไกลจากบ้านห้าร้อยขาธนูขาธนูหนึ่งสี่อก ผ่าร้อยขาธโนเป็นยี่สิบห้าเส้นใช่ไหมเจนวัดป่าจำภูมิวัดป่าเกิดก่อนวัดบ้างนา้กท่นานักวิซาขาสร้างถวายก็29ยี่สิเก้าดกระเป๋าเดียว บุพารามบุพารามคือเป็นสวนดอกไม้ของนางวิสขานางวิสาขาก็เลยถวายเลยใกล้จากบ้านยี่สิบห้าเส้นบุพารามบุพพาไปช่อยดอกไม้รามเปว่าอารามเองี่สิเก้าโกดนางวิสาขาสร้างคนเดียวอาชิปชิปเก้าเก้าชิปชิสองยี่สิบเป็นยี่สิบเก้า เป็นตปนสองร้อยเก้าสิบล้านใช่ไหมกระเป๋าเดียวอนะ่เนี่ยทุกวันเราแผ่ขอกันจะตายพุทธาพิเศษว่าอันนี้ไม่มีพุทธาพิเศษไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แผ่ไม่ได้ขอเลยทำมีก็ทำไม่มีก็ไม่ทำต้องไปแผ่ขอขอไม่มีเลย ผู้ขอเมื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นที่ใจไม่ที่พอไม่เป็นที่ภูใจไม่จะเป็นที่พอใจของผู้ขอเมื่อได้ก็มาเป็นที่ใจพอใจของผู้ถูกขอผู้ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ไม่เป็นที่พอใจของผู้ขอเมื่อให้ก็ไม่เป็นที่พอใจของผู้ถูกขอผู้มีปัญญาไม่ขอเลยพระบรมสารีรา คำสอนใดๆในใจโลกธาตุมันเป็นเมืองเคลื่นคำสอนของพุทธศาสนาหมดแล้พุทธศาสนาสอนโลกโดยตรงๆโดยตรงๆยังทรงพระนามว่ารัตถาเทวมนร์สารังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วสอนมนุษย์สมบัติด้วยสอนเทวันสมบัติด้วย ช้นพรมสมบัติด้วยช้อนยปานสมบัติ ด, ด้วยเป็นลำดับกันไปในตัวพัฒนามนุษย์สมบัติพัฒนาสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินยปานสมบัติไปในตัวด้วยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะไม่กี่ร้านล้านพระองค์คอตามมาเป็นยกๆกคอตาก็มีพรลรวอันเดียวกันไม่ลบล่างพหลรบกันเลยพระคําสอนของ พ, พุทธศาสนา ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นราชาธิปไตยไม่เป็นอัตตาธิปไตยเป็นธรรมาธิปไตยไม่ได้เข้าข้างตัวไม่ได้เข้าข้างพักของตัวไม่ไม่เข้าขั้นวันละเลยพระพุทธ ศ, ศาสนาเป็นดิ่งของโลก คำสอนใดๆเป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาหมดข่ายเข้มทิศเข้มทิศจะมีกี่ร้าล้าน<ๆ>ก็ชื่อไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกมันขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้เมื่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีการวันกางคือเทียบในทางลึกซึ้งให้คำหนึงได้หลายทางหน้าวพน้องกองเบืองบางต่างๆ ไร้ลงสู่มหาสมุททะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้นะไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อนะไม่เชื่อคําสอนของพุทธศาสนาะสองข้อใหญ่โตหัวฐานจาหน้าโลกจ่าหน้าหนังสือจาหน้าเป็นหลักเกณฑ์ของการปกครองโลกทำเป็นโลกมาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าโลกม่มียังอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกดหมู่กดพักกด พ, พวกของชาวโลกก็ตั้งมาอยู่ผู้ของทําไม่ น, ำำนําคํานึงข้อมดที่เพึ่งพิงเองอาศัยถ้าความชั่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทําในที่รับมินาซ้ําก็ทําในที่แจ้งอีกเสียด้วยถ้าหากว่าชาวชาวโลกไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้ว ชาวโลกก็ไปล่วงแล้วเมิดอศีนห้าศีนห้าเป็นเครื่องปกครองโลกเหมือนกันถ้าชาวโลกอายุเจ็ดปีเป็นแม่แต่ผู้ว่าใบเสียจะเด็อิดมนุษย์ซะแล้วก็มีศีนหน้าบอลเดบูนทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีช่อตวนก็ไม่ต้องมีคดีดาคดีแดงในโรงในศาลก็ไ ม, ม่ต้องสงครามก็ไม่มีเพียงเสียค่าบัท่าข้อเท่านั้นแหละตดอาวุธแล้ว อาวุธเวรภัยอันหยาบหยาบสดแล้วพระพุทธศาสนาะพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มายืนยันอย่างนี้จะมากี่ร้อยพระองค์ก็ตามมายืนยันเครื่องพกครองโลกเท่านั้นถ้าชาวโลกมีเสียงฮาบอลลีบูณลมดสงครามไม่มีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโรคเอสดก็ไม่ต้องมีเพราะมีขอบเขต อย่าในสิ่งหน้ายินดีในเพือเมียของใครของมันที่ ข, ขบวัที่เกี่ยวการกับการค่าการแกล้งก็ไม่มีที่ขบวกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชินนาทานก็ไม่ต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการมุสาวาตต้งตุนก็ไม่ต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการเมศศรียเสมาจารย์ก็ไม่ต้องมี ก้อนไม้ที่เกี่ยวกับต้มตุนก็ไม่ต้องมีก้อนไม้ที่เกี่ยวกับดื่มโซดาอะไรก็ไม่มีสุร า, ร า, อ, าอะไรคือน้าอะไรคือน้าบ้าใครไปกินน้ำเป็นบ้าเขาไม่เลือกช่านวันนะ่ะกินน้อยก็บ้าน้อยกินมากก็บ้าหน้ามากพระพุทธสงฆ์ไปกินก็บ้าเหมือนกันเขาทำอะไรทำไมเขาทำมาให้คนบ้ากินแต่ก่อนเราก็เคยเป็นบ้าเหมือนกัน แตเราหยุดแล้วอายุสามสิบเราก็หยุดแล้วมาบวชข้าวนี่อายุสามสิบสองเราบวชข้าวก่อนนนั้ในข้าวที่เป็นหนุ่มมวชสี่พรรษาเราก็เลยลาเชืข้ขาวไปครองขลรวาสพอขลรวาสหยุดซึบปีภรรยาถึงแก่กรรมล้วก็มอบมรดกให้คุป้าป้าเป็นหมันแล้วก็เลยมาบวชอีก สัความสิรอยแปดสิบหกจนถึงทุกวันนี่หนละทำไมเราจึงอาบน้ำเพราะมันสกปรกพอเป็นทังมาทางไปแล้วที่เสกการอาบน้ำไม่ได้เพราะมันสกปรกรก่างกาย ที่นี่ด้านเส้นธรรมทำไมเราจึงรักษาเพราะจิตใจมันสกรปรกทำไมมีเส้นธรรมจิตใจมันก็สกรปรกเอาอันอื่นร่างมันไม่ออกร่างกายเอาน้ําล่าออกมันก็ออกมาภายนอกภายในร่างไม่ได้อีกเหมือนกันลําไส้ของเราลําร่างไม่ได้ชัญญาถ่ายก็ถ่ายเข้าไปไม่มีคนน่อยเข้าไปถูให้กินข้างมันจะเป็นยังไงมันก็อยู่ตามเดิมข้างมัน ร่างเราใจภายนอกทนั้นส่วนภายในร่างไม่ได้ร่างกายเช่นลาไส้อย่างนี้ร่างไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันขังทั้งอาหารเก่าอาหารใหม่ปะปนกันอยู่ที่ถ่ายไม่หมดทําไมปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันสกปรกถ้าโรคปรดหลงมีอยู่การปฏิบัติเพื่อบรรเทาก็ปฏิเสธไม่ได้นะเลยัะแย่งหายไป ยงเซินฆ่าเท่านั้นโรคสงบแล้วนอนก็ไม่สะดุ้งขวาาพระไม่มีเวนอยู่รอบข้างไปที่ไหนก็ไปได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เหมือนกันฉันเว็ดเม็มนั้นกฎไมกหม้กฎหมูก้พนผักกนพวกของชาวโลกถ้าตั้งขึ้นแล้วไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดเพราะกรรมและผลของกรรมเอง ถ้ากรรมแล้วผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสานาเหมือนกันนี่อายุสิบห้าปีเราไปยิงนกเขาตัวหนึ่งแล้วกงเปล่ายิงถูกแคเนี้ตกลงมาช่วยชีวิตก็ได้นกเขาตัวเดียวเพราะนกเขามันตาดีถ้าปัญญาไม่ทันมันมันก็ยิงมันไมได้ยิงด้วย ปองเป่าเสียด้วยไม่ใช่ปืนในตัวเดียวท่านธรรมมดชาติมดชีวิตเนี่ยอายุสิห้าปียิ่งถูกเข้ามาใต้นองของมันเนี่ยมันจับอยู่คานเข้าไปคานเข้าไปคานเข้าไปที่ปลายหญ้าลกลอกมันจับอยู่ต้นไผ่ล่อคล้อยคานเข้าไปข้างหลังมันเข้าไปข้อลุกต้องเป่าประมาณสองว่าแนบแนบตัวเข้าไปแนบเข้าไป เหลียวหเหลียวตายเนี่ย่ติดข้าที่ใต้นอนมาข้าแค่นี้แหละตกก๊กแ๊กก๊แ ก, กแจ๊กออมามันก็สูงประมาณแปดเมตรมันอยู่หรือสิเมตรตกก๊อกแ๊กก๊แ ก, กแจ๊กออกมายิงถูกนี่แหลตกออกมาใกล้ๆเราเร็คิดเองว่ามันจะข้างเขาอย่างนอยู่ จับได้แล้วถอดลูกกล้องเป่าออกลูกกลองเปลขนาดนี้แหละแค่นี้แหละพันไวยนุ่นก็ก็ก็ ก, ก็สองคำนะถอดก็ก็ก็ ก, ก็สองคำมึงเถอะอมึงเถอะมันจะว่ายงก็เลยมันก็เลยตายเลยมึงเถอะมึงเถอะมันคงจะว่ายอย่างนั้นก็ไม่ทราบอยู่มาอยู่มาอยู่มาทําแต่อายุสิบห้าปีอยู่มาอยู่มา สองพันห้าร้อยสมสิบแล้วเบิดขึ้นนี่เลยเกือบไปโรงพยาบาลไม่ทันโรคหัวใจตีบส่งเลือดไม่ทันแล้วเบิดขึ้นที่เงนนกเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังรักษาอยู่นเาานี่ยเอายาไหมนี่ยาพ่นหัวใจตีบส่งเลือดไม่ทันเอ็นนกเขาตัวนั่นแหน <c oughs> ล, ละพวลูกหลานอย่าไปทนะําเวงเนอะอย่ามันตามถึงเนอะมัน ลองกู่มัก็ตามถึงมันกันเนี่ยไม่จำเป็นอย่าไปทำเน้อพวกโรกหลานเนี่ยทาท่าทาทายเขากลัวแล้วก็เอาละเขากลัวดอกถ้าปวักทหารไปที่ไหนเขากลัวจะตาย ก็ช่วยให้ระดับ ก, กระจายนาคนหมอสี่นักคลินอายุอายุายี่สปีไปจับโครตรให้เขาจับโคตอนช่วยเขา ไม่ใช่ปีกับโคตนช่วยเขาตัวเดียวท่านั้นได้ทีเลยเราไปพูดร่อมันเล่นมันร้องอู๊บอุ๊อมันปวดมันมันปวดลูกอันทะมันเราก็ไปหัวเราะมันเขาแปลงลูกแปลงโฉมให้มึงให้มึงขายออกถ้าอย่างนั้นมึงขายไม่ออกมึงอยากขี้ขี้ขี้โหรมากไปหัวเราะมันตัวเดียวท่านั้นได้ทีเลย พอถึง 2,522 ทำแต่แต่2 4 7 5 2,522 2,525 แล้วก็คัดเลือกทหารเปลี่ยนที่เปลี่ยนการปกครองพอมาถึง 2,000 ห้าร้อยยี่สองมันก็ระเบิดออกนี่นี่ใส่ช่บขัดห้องมูไว้นี่นี่ชมาทาแม่ผ่าไม่ตัดอะนกใส่เลื่อนชมาทาแม่ผ่าไม่ตัดและไปไม่ไปนอนข้างคืยในโรงพยาบาลด้วยมันก็มาแปลงลูกแปลงโฉมให้เราซะน่นี่นี่นี่นี่ลูกกันช้าที่นี่ใส่เบ็ดตาไหลไ้ที่นี่อายุสิบห้าปีธรรมดาปลาไหลกินเบ็ด มันก็คืนลงท้องมั น, มนก็ได้แหวดออกไปนนพอมาถึงสองพันห้าร้อยสามสิบเนี่ยสมนดำดีลูกโรคสมนดำดีระเบิดขึ้นสงนดำดีเป็นนี่วมาไปโรงพยาบาลคนแกน่เขาก็เอาสายยางยัดเขานี่ยัดเขานี่ยัดเขานี่ก็อ๋อยู่นี่ย ก็เหมือนอันเดียวกับปลาไหลจินเบียหนึ่งชั่วโมงช้นเสร็จเกือบตายทีนี่มันไปออกจอเขาถูงน้ำดีไปออกจอเขายก็สัญยาอย่างสัญยาเยื่อละมันสารฉันมาหกปีนี่เทเมดละสามเสบ่าฉันเข้าเข้าเย็นวันละสองเมดเข้าวัดเข้า เม็ดหนึ่งเย็นวันเม็ดหนึ่งเพราะถ้กเราอยู่มีสี่ห้าเมตรมันออกไปแล้วสามเม็ดยังเหล่อสองเม็ดคงจะไม่เป็นอันตรายต้องการอีกเป็นนี่หรอเน่ยังไม่เอกวุฒิกรรมหลวงปู่อันนี้มีมีสองประเภทน่ประเภทตอนโคประเภทตอนโคแล้วก็ประเภทอีกอันหนึ่ง ลูกกบมาช้นามีลูกกบเห็นลูกกบก็เวิดต่อที่นาเวลาเราเวิดมาแล้วก็ได้ตังกรอบเนี่ยเราอายุสิบหกสิบเจ็ดปีไถนาทีนี้ปากลูกกบเวลามันเอาขึ้นจากหน้ามาแล้วมันก็ทําอย่างนู้นแล้วก็บีบแต่ปากวะเนี่ยไส้มันทะลุนี่เลย เราไปหมกกินใช่ไหมไปหมกกินทั้งใบตองด้วย <laughs> มันหอมนี่นี่ใส่เลือดใสเลือดเนีเป็นเวีนมากเนี่ยเขาเอาไปโรงพยาบาลชนิดเวือดคราวหนึ่งแล้วแต่เราไม่ยอมผ่า ย, ยอมจัดก็เลยสู้เราไม่ได้เขาหลอกไปเขาหลอกไปแล้วเขาหลอกไปโรงพยาบาลชนิดเวืจะไปด้วยวิธีไหน ลงปู่ไม่ไปนอนข้างคืนในโรงพยาบาลลงปู่จะไม่ไปผ่าตัดใดๆทั้งที้นเออลุองปู่ไม่ผ่าตัดก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าไปเช็คโรคอันอื่นพอไปก็เขาก็จะเอาลงปู่ผ่าตัดเลยพอไปถึงก็กลับในวันนั้นหระไปในวันนึงกลับในวันนั้นไปกรุงเทพ